มาดูเลยการมาดูประเสมิฐวิธีนะหน้าร้อยก้าสสามข้อที่สิบแปดโอ้ยวัยเกินยี่สบเจ็ดนะครับมันผชิดพึงกระทําความสมเนียงว่าเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพเมื่อเขากําลังถวายบิณฑบาตพึงตั้งสติสังรวมในการรับนะครับนี่นะเดี๋ยนดีก่อนอธิบายไปทคละข้อนะครับ เมื่อเขากำลังถอนมีบากให้ตั้งสติสมนุนในการรับนะครับไม่แสดงอกิริยากรรเมืนอนว่าไม่อยากจะรับเมื่ออยากจะเทจะทิ้งนะอ้าววันนี้น่ะประกาศดองแล้วอันนี้ <c oughs> จ้านี่มาที่น่าเจอประกาศดองทีมไม่อยากจะรับแสดงกิริยาอุ้ยจะทิ้งจริงนะครับไม่ได้นะต้องรับด้วยเคอรับนะครับทํารวมใส่ใจให้ดีต่อไปนะครับข้อ8 บันพันชิกพึงกระทำความสมเนียมว่าเราจะมองดูนในบาตรรับบินทบาตนะครับอินทร์บอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเกียวเวลากับบินทบาตนอกวัดอย่างเดียวนะแม้สมัมมาเนจจาเข้าต้มมาถวายเนี่ยครับก็ไม่ได้มองหน้าสมัมมเนจเหมือนกันนะไอตอนที่เขายังถวายังใส่บาตรนะครับก็ใส่ใจมองในบาตรแหละครับอย่างนั้เอาขนาเลยนะครับถึงจะเป็นในวันนะเนี่ย ไม่เอาบาลเราไม่ได้เป็นบาลเ <c oughs> จะเอาด้วยหรือบาล่าฟ้าชนะอีกนะนื่ก่อนแล้วก็เพื่อรับเือครับเอาว่าถ้าถีบข้างหนัง ก, ก็เอาหมนุนน่าชอนนะับสามนะครับแม้เมื่อเขากำลังถวายบิดาบา อันนี้ที่บายนิดเดียนครับมันสั้นไม่ดูคาที่บาจากไหนบอกว่าแม้สัมเนีใส่บาตก็นะครับต้องเหมือนกันถ้าดูตสามเอาเอามาตามสัมีก่อนนะเดี๋ยดูคาอธิบายอีกอ่านที่อยู่ในนี้นะครับสบายนะครับข้อยุติก้าบาชิกเพก่อทาความสมบูรว่า เราจากรับบินฑบาตที่มีแกงพอเหมาะกับข้าวข้าวสี่ส่วนแกงหนึ่งส่วนแต่หมายถึงแกงถั่วค้นๆที่พอใช้มือฝองฉันได้ไม่ใช่แกงอย่างอื่นนะครับอันนี้มายถึงแกงถัว่วถั่วเขียวถั่วเหลืองลว่าถั่วพูนครับอย่างที่ใครไล่ฟังแกงถัวะนะถ่วพม่านะเข้าใจไม่ใช่ถัว่วฝางยาวนะครับเอาถั่วเม่นเลยนะ ไปต้มรงแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็มาต้มจนมันเละ น, นะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่อะไรฉะนั้ ว, ว่าแกงสวอขั้นนี่เขาใส่น้ํามาเยอะนะนะครับมันก็จะออกข้นๆนะข้นหนยสามารถใช้มือหยิบฉันได้เลยนะครับไอ้แกงสวงลักษณะนี้นะครับรับได้แค่หนึ่งส่วนใช่ไหมเซตหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมครับนะข้าวห้าส่วนนี่ใ่ข้าวสี่ส่วนแกงแค่หนึ่งส่วนนะครับรับได้แค่นี้แหละนี่นะ เดยอดเดือดยันข้ากัาอาจารย์อธิบายการเอาคุณเปิดกาหมายถึงว่าเราต้องใช้กิ่นนิ่ต้องใช้เป็นข้าวมิไวอ๋อแล้วแต่สะดวกครับหรอต้องกาวมั้ยโอ้ไม่ใช่งั้นเอาเวลาฉันกินาเหนียวเป็นเต้เรากินนิ่มนะครับเราไม่ค่อยกินนี้หรอกที่จริงนะคนสมัยโบราณเขามีบอกคือคนสมัยโบราณเขาจะกินข้าแบบนิ่มเนี่ยอาจจะมีจะมีใช้ไ่สามนิ่มแข้าวข้ามันจะเดียวเนี่ย มีนาำจิฟมอะปันเงี้ยแล้วก็เกลน่ยสามนิ้วเองครับผมดูได้มาจากพี่มี่เยอะใช่แค่สามนิ้วเองครับข้าไม่หมดนี่เหรอใชเข้าวเหนียวเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้อเข้าเจ้าเข้ามาแทนข้าวสามนิ้วอาจจะไม่อยู่นะแคเมื่อแรวแต่ว่าข้าวเหนียวแลงจ้าวเจ้าครับก็ข้าจ้า เมื่อเมื่อสมัยก่อนนม่สุ่มว่าจะเป็นข้าวใหม่นะมันจะเหนียวนะข้าวเจ้าเหนียวป็นกันใช่ไหมครับถ้าใช้เ็นข้าวนี้มันดูมูมาอาจาไอ้ลูกฝาอาจารย์มูมาาเลยนะใครดูแต่เรื่องพระเวสสนทรทขอะไรนะกินข้าวปุ้นกันนะขนมกินกันนะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดข้าวนี้ข้าวให้ฝาอเงี้ยครับโอ้เป็นเด็กใหญ่ใอ๋อห้าี้ะต้องสั่งเ นี <S <S ่นะก็ถ like, right? so ouais. ้าแตกนะครับแกงอย่นไม่เอาไม่เป็นไรนะครับแกงคือแกงส่วที่ว่านะครับถ่วเขียวส่วนหรือส่วนคูที่เขาเป็นตองที่ว่านะถ้าแกงเองก็รับกินถุงก็ได้นะครับต่อไปนะครับสามสิบบรรพชิตพึงจะทำความสําเนียงว่าเราจะรับบิณฑบาทเต็มเสมอขอบบาทไม่ให้เกินรอยพับลงด้านใน ไม่ใช่ขอบบนและช่องได้คือไม่จำเป็นว่าจะต้องรับเสมอขอบปาทุกครั้งข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเกี่ยวกับการรับอาหารถ้าเลยเที่ยงไปแล้วทิ่สุรับไม่ได้ครับตรงนี้น่ารับบิดาบาเสมอขอบปาบา่ไหมก็รอยพับหน้าในนะครับสมัยนี้บาทไม่มีรอยพับแล้วทำไง แล้วก็เอาเอาขอบบาทเป็นที่ตั้งอ่าเบเป็นที่ตั้งนะ้าไม่มีรอยพักข้างล่างนะแล้วก็ขอบบาทข้างบนแหละนะครับว่าเราบาทนสมัยนี้ทาบาทไม่มีรอยพนะครับของผมยังมีอยู่นะยังใช้เนื่งเก่าอยู่คเตมีไหมครับของผมไม่มีไม่มีนะพว่าผมเคยอ่านเจอนะว่าบาทไม่คยมีขอบแต่ในผมเลยรีเปลี่ยนบาทมื่อั้ผมมีขอบแต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยน เพราะวามื่อลำบากต่อการล้างที่บาเขาไม่ให้ของบ้าเพราะว่าไอ้วน้ำเศษอาหารที่เขาไปอยู่ในของบานเนีตำราอยองันผมกมีปัญหาใช้เหมีอนไัเลยครับไม่ีอะไรออกมาเลยล้างให้ดีแล้วให้ดีเล้วมมีอะไรออกะครับใช้ได้คุณอาจารย์ก็สะดวกไม่อช่ตำราในคำที่บายนะครับ ใแล้วมีมีนกันนาบาลดินนะถ้าบาลดินบานดินม่นาจะมีอะสอนไอ้ก็จ้ทาขอไปทำไมใช่ไบานดินนะครับก็จะปั้นอะไรนะก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับบานดินเคยเห็นไหมครับเคยครมีมึที่ที่มาวัดเขาเนี่ยีอยู่คันหนึงที่มีข้ารุ่นหนึ่งที่บาลดินนะ บาดไม้เหรออ๋อบาดไหม้นี่ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ครับแต่บาดนี้สุดเคยเห็นที่ว่าถ้าของเขาก็ไม่เห็นขอบ่เห็นอะไรนะไม่เห็นมีนะครับอย่างงั้นมันก็ต้องมันไม่มีรอยพับนะแล้วก็ต้องขอบถ้าที่มันมีอนะถ้ามีรอยพับกงรอยพับด้านข้านะครับอย่างนี่นะแต่ว่าถ้าเราอย่าพูดให้เต็มเนี่ยเราใส่ย่ามก่อนไม่เป็นไรนะครับใส่ย่ามแบบงมานะหนักหน่อยก็ไม่เป็นไรอยากให้ กันเลยขอบาตรกแล้วกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าอาหารนะอาหารเนี่ยมันพูนเต็มขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าข้างล่างมันพองนะถ้าขยับขยับมันก็จะลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถือว่ารับลนบาตรนะครับยกตัวอย่างถุงพลาสติกใช่ไหม ย, ยาวใหญ่เลยนะครับนโล่งอาหารอยู่ด้าข้างล่างใช่ไหมแคนโรตีแื้วโรตีสายไหมสอะไรเนะี่ยนั่นถุงพลาสติกมายาวเลยนะครับ มันมีแต่ลมนะข้างบนอ่ะมันยื่นออกมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าร้อนบาดนะครับเพราะมันจะมีช่องว่างรีสซาอะไรได้นี่ครับข้ามหนเข่าหลัครับเขาัอ่ามาเป็นกระบอกครับข้าง่นงก็ไม่ร้อนไทแลไวระครับเพราะข้างล่างมีที่ว่างแยกใช่ไหมครับขึนไปแล้วครับต่อไปนะครับ ออพระ้ามาต้น ม, มันหยาบนั้นต้นมันหยัดแท่ไม่ต้องอ่านนะคล้ายกันนหะต้นมันหยาเข้าห น, นเน่ถึงไหนแล้ว <c oughs> สามัคคีนิทานครับครั้งนั้นพระจักรพรรรับวบินดาบะโดยไม่เอาใจใส่ธรรมการหยุดทิ้งเสียนะครับสงสัยก็ได้อาหารมีดีนะโอยเจอประจา หรือว่าไข่เค็มประการศทองเนี่ยมาหลายวันแล้วหน่าหนึ่งทำไมโยมใส่แต่อันนี้จ <c oughs> ึงเลยสแสดงกริยามันก็นจะทิ้งจะเทนะครับไม่ได้ครับมันต้องเคารพนะเคาราศรัทาด้วยศรัทธาแล้วนะครั บ, บะาาราาจะเป็นของปรนี่ของเรียวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไม่แสดงกริยาที่มีเดีออกไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ในพระบรมคำอธิบายว่าอันที่สูจเพึงรับบิดาบาโดยเคารพพิสูจน์ด้วยายความไม่อืดอึ้ง ่าล่ำปินะบ่าโดยไม่ขอรบธรรมการถูกทิ้งเสียต้องบัตรทุกกฎนะครับอันนี้ไม่ใกล้งเผลอไม่ดุจอะไรนะครับอ า, าพานีาาททาาทน่ทำไมอาพาธหรือทาไมแสดงกียลสถูกทิ้งได้อ๋อทําอาภาธทาได้ครับสอนนะธรรมวิสุขว่าอาพาแสดงกิเลสมันจะทิ้งได้ครับหรือว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าไม่ค่อยสบาย หน้ามันเป็นไรอยู่นะเป็นไข่ที่เจออไม่ไหแล้วอะเงี้ยเป็นไข่อ่าเป็นไข่เออหน้าหน้าตาเป็แบบมึงไม่ค่อยรับแขกนี่นะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งใจทำ่หมือนั้นนะเแต่ว่าโอ้โหไม่ไหวหน้าตาไม่เราแกมันก็ไม่จะรับอะไรของใครเลยนะครับขนาดนั้นไปครับถ้า่อไปเนี่ยทั้งนั้นนะครับ ก็จะเมื่อขี่รับบิดาบาตพรางแล่ดูไปในที่นั้นนั้นเมื่อเขากําลังเกียร์บิดาบาตลงก็ดีเมื่อเกียร์เสร็จแล้วก็ดีหารู้สึกตัวใหม่นะครับไม่ใส่ใจไม่มองในบาตเลยใช่ไหมมองสายไปทั่วนะครับเขาใส่ก็ไม่รู้นะอนี้ไม่ได้นะครับเป็นเกียร์ที่แบบหน้าเกียร์นะชาวบ้านคงรู้สึกไม่ดีนะไอะอหาร้อยไม่ดีเลยยังไงทำไมใส่บาตถ้าไม่ใส่จะจะมองนู่นมองนี่ลักๆคนเราเราไม่ได้นะครับให้มองแต่ในบาต แม้แต่ในจะใสบ่บาตรให้เรานะในวันนะครับไม่เพิ่มถึงนะต่อไปนะครับนักพุทธองค ก, ก็บัญญัสิ ข, ขานบาทมีคาอธิบายว่าอันพิสุพึงแลดูบ่ารับบินบาบาที่สุดาอาศัยความไม่เอึอเฟือ้อรับบินดาบาทพลางเหลรยวแลไปในที่นั้นนัตั้งบาทุกตนนะครับอจวมีอันตรายได้นะระวังตุกัน <c oughs> มีอันตรายนะครับ <c oughs> <ๆ>อะไรบินดา 3, บาสามจังหวัดชายดนภาคใตา้ ต้องคอยละแม่น้องบางอยู่นีนะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมา <c oughs> อหมอันตรายนในการต่อไปนะครับ <c oughs> สามวิถีนิทานครั้งนั้นก็จบไปทีรับบินทบาทนะครับรับแต่สู ป, ปะนะแกงถั่วที่ว่างครับเป็นสุดมากอันนี้ไม่ได้อันนี้ฟองอธิบายว่าที่ชื่อว่าสู ป, ปะคือแกงนะครับ มีสองชนิดคือสู ป, ปะทำด้วยถั่วเขียวหนึ่งสู ป, ปะทําด้วยถั่วเหลืองหนึ่งนะครับเขาจะเรีว่าสั่วลราชมา ก, ก็คือถั่วเหลืองนะครับที่จับหน้าด้วยมือจะมีควำขึ้นบานแหนตฐานวิธีการบอกว่าแม้ถูกหูก็สมเคาะกันด้วยนะครับอันี้อันพิสุพึงรับบินตาบามีสู ป, ปะพอสมกันพิสุไดาาอาศัยความไม่เ อ, อื้อเฟื้อแล้วแต่สู ป, ปะอย่างเดียวเป็นส่วนมากต้องบทตุกตกนะครับ แน้านะบัตรคนนี้นะมีพิเศษครับว่ารับกับค่าต่างอย่างออไม่ใช่แกงทัว อ, อ, อย่างอื่นมีปัญหาครับข้าปลาอาหารนะแ ก, ง, แกงนั่นแกงนี้่นะครับได้มีรถไฟทำไงรับของยากนะครับถ้าของยากรับเลยเท่าไหร่ก็ได้นะอย่าเองของคนทุกคนเอาไว้ได้นะครับรับเพื่อประโยชน์แก่ที่สุดอื่นก็ไม่สนนะครับ อ, อจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนใช้กับปิยพันธนะุ์นั้นไป แรกเขาเกับปิยบุษานใช่ไหมครับท่ามีอันตารายนะครับทาไมมีอันตารายล่ะมาท่านมันาอย่างเกนะิดมานื่นองจกสอันนี้มันมีการมีกันครับมีอันตรายนะครับสงสัยห้ามไม่ทันมั้มันมันรีบนไม่ได้นะครับอันตารายหมาจะมาไล่กัดนะครับมันทีก็อธิบายานะนะกนิดนึงเนี่ยวิกรเจริญอธิกรรมมิกระไม่ต้องอ่านบาัไรแ ก็มาดูคำที่มาครับดูคำที่มาแล้วท่าี่ในปิดดอกมีใจเยอะไหมอืมอ่านคำพูดคาที่ม า, าในกลางขาก็ได้ถ้ไม่เห็นในที่บอกว่านเนี่แต่บบหน้าหมาสัมผัี้นม่เห็นลอดูนะครับหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ เจมสี่นะครับ<อ>ข้อที่ยี่สิบเจ็ดนักสิกขาที่บายข้างล่างนะครับอธิบายสักกจะปฏิฆาหน้านสิกขาบทในบรรดาโภชนะปฏิสังยุทธนะรับที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะโภชนานะในสิกขาบทที่หนึ่งคำ ว, ว่าโดยเขารบกุฎตั้งสติไว้นนไม่ทํา อ, อะไรนีะครับคำที่<อ>ไหนในสื้อความตึ้ง น, นะครับไม่ยากนะ ยี่สอธิบายปต า, ปตาสัญญาปฏิฆานสิกขาบทใส่ใจในบาส น, นะในสิกขาบทที่2การสนใจอยู่แต่ในบานชื่อวปฏาสัญญาใส่ใจนะการใส่ใจอยู่กับบาสนั้นมีอยู่แก่ฟีสูเหตุนั้นฟีสูนั้นชื่อว่าปฏาสัญนะครับอธิบายว่ามีความมุ่งอยู่แต่ในบาสของต้นนี่นะข้อนี้เดี๋ยวนูนคำอธิบาย น, นี้หนึ่งนะครับยึดธรรมะอ่านแล้วไม่คุ้นเลยนะผมไปเจอที่ไหนบอกว่า ที่น่าจะอยเจอที่ไหนบ้างอยู่ที่แกงถั่วเมืดิกี้นะ่ะอ๋อนี่มันอะไแกงถั่วอะไรเนี่ยแกงถั่วมันยะังมไม่ถึงใช่ไหมครับประตะสัญญีครับเป็นผู้มีการผูกความสําคัญในพาชนะของตน <c oughs> อ๋อพาณาชนะของตนเนี่ยนะ เอาภาชนะอะไรนะครับตรงนี้นะชอนคําว่าบาสนะครับอาจารย์กล่าวว่ากระทําความสําคัญในบาเนี่ยดังนี้เพื่อจะแสดงแต่ความหมายเท่านั้นโดยไม่อื้อเ้ารนะะคับ <c oughs> ผูยกขึ้นมงเฉยนะแต่เอาภาชนะ น, นี่นะครับอย่นใช่ <c oughs> อะไรนะเอามือเามมีภาชนะเป็นอไรอันนี้เอาภาชนะนะครับสามนี่เลย <c oughs> ส า, น, ย <c oughs> สานี่เลยความสําคัญในภาชนะของตนนะครับอั น, น ไ, <c oughs> ไปเจอที่ไหนเจอจริงนะครับแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนบมกว่านะแม้แต่มาเนมมาถวายข้าต้มให้นะก็ไม่ได้ขนาดที่ถวายนะก็อะไรไม่ได้นนครับ <c oughs> จบโอ้โหนี่ก็จบไปเหมือนกันเลยข้ <c oughs> <c oughs> าเหมือนกันนะโอกาสข้ามี ถ้าโยมไม่ได้ใส่บาตรขนาดที่ไได้ใสบาตรมองๆไม่ต้องบองบาตรอะอปอนเช่นโยมไปหยิบข้าวล้วก็มองตามได้ได้เดียได้ครับอันน้เพื่เวที่เขาใส่บาตรนครับยานยานครับคือผมสงสัยคำนี้คาว่าแกงถั่วที่ว่าเราจะหยิบฉันไดเนี่ยเขาแกงขนาดไหนแกงเหลวแกงค้นหรือว่าเป็นผัดถั่วคน่ยอนา คนเพราะขนาดเกิดใช้หยิบมือครับฉันได้อาจจะเป็นผัถั่วอ๋อไม่ใช่ผัถั่วงั้นครับเป็นแกงถั่วครับอันนี้ผมล้ฟังแกงถั่วที่พ่อมาเขาทานะครับข้าวถั่วเป็นเม็ดไรน้าถั่วเหลืองนะครับไปต้มเคใช้นั่นมอะไรถั่วเขียวไมถั่วเขียวอ่าข้าอันของหวานัของหวานถั่วเขียว่ะครับแต่ของพ่อมาเาจะไม่น้ําอย่างั้นข้าวถั่วเหลืองไปต้มนะครับ เอาแช่น้ําก่อนใช่มหมถ้าคือหนึ่งพวกว่านพวกถั่วเนี่ยมันจะต้มเละยากใช่ไหมครับแล้วก็มาต้มจนเละนะครับ<น>แล้วก็เอาออน้ำหอ้อน้ำหมอกนะนจนแบบมันแล้วแต่เราจะเอ า, าน้ํามากน้ําน้อยนะครับแต่นี่เขาบอกว่าน้ำไม่เยอะนะขนาดว่าแค่นใช้มือเปิดหยิบหนะะ้านีครับไม่ใช่หลายเยอะแต่น้ามือจุ่มไปน <laughs> ิดเชยแช่ท่อกระปองนะนั้นหนึงก็ไม่เอาเล้ว่ามัานมันแค่นนะครับนะ้ำไม่เยอะหรอ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยนะผสมเข้าไปนะครับแล้วผสมก่บข้าวหน้าเลยอืมครับแกงถัวนะครับเมืองไทยไม้ยังมีนะเมืองไทยเมืองไทยไม่เจอไร้ถั่วเขียต้มแหละนะครับแต่ที่พม่าเขามีต้อยู่ว่าถ้าวโมผมก็ได้ฉันอยู่เราแกงถั่วเนี่ยก็เลยอธิบายได้ว่าต้องทำยังไงอ่าัมาดูในการขา ข้อยี่สิบเก้านะครับอธิบายสมะสูงประกาศปฏิฆานัสถาบทนะครับนัสขาบทที่สามกับข้าวที่้องปรุงด้วยถั่วเขียวและถั่วล่าชมาถั่วเหลืองนะจำไม้เลยนึกม่เจอคำว่าถั่วล่ามาถั่วล่ามาทไหนก็พ่ใจำว่าคือถั่วเหลืองบ้านเรานี่เองครับหรือปรุงด้วยถั่วคูถั่วคูนั่นก็เอาครับเป็นต้นที่สามารถมาตัดด้วยมือได้นะครับนี่นะ ข้าวส่วนที่สี่แห่งข้าวสวยนะครับก็คือข้าวสวยสี่ส่วนแกงก็หนึ่งส่วนข้าวสวยที่สี่ข้าวสวยนะครับมีแนวบิดาบาใดบิดาบาหนั้นชื่อว่ามีกับเสมอกันก็พิสูจน์เมื่อรับกับข้าวเกิกว่านั้นต้องบัตรกฎนะครับของอย่างคนโปน้ํามีปัญหาใช่ไหมแม้กับข้าวอย่างที่ว่ามากับค่าที่เหลือทั้งหมดที่เหลือหมดเลยนะครับชื่อว่ากับค่าที่มีรอดเลิกนะครับ เพราำ่านั้นก็ดีมีปัญหาได้เป็นไรพิสุร่่่่่่่ก่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เราใช้กับปิยอมอะไรกับปิยพันบางอย่างครับสมมติว่าเรามีอะไรนะ<ส>เรามีแกงอย่างนีง้ <c oughs> มาม่าปากระกป๋องเยอะเลยนะครับเอากระแรกแกงถั่ว<ส>โยม oh, อตมามีมาม่าตมาต้องการแกงถั่วนะครันคะครับแรกเล่นกับปิยพันนะครับเล่ดกับปิยมูหานะอตมามีปากปประป๋องหนึ่งกระป๋องต้องการแกงถั่วหนึ่งถ้ว <c> ย <oughs> แล้วเราบอกโค่นชนะได้ อ๋อแรกไม่มีปัญหาครับจำสิ่งนี้แต่ว่าต้องการสิ่งนั้นครับบอกว่าอือเนี่ยมีคำที่มาขึ้นมาอีกสามนะนี่ที่บอกว่าพิสูจน์การทำการแรกเปลี่ยนด้วยว่าถสิ่งของไม่ใช่ด้วยเงินแต่ต้องใช้กับย่างหัวหางนะครับช่องไหนอะไรต่อนครับอันนี้ที่บางแสนปัญหาไหลายนะครับ ไปนะครับยันบมเมื่อกต้นมันอยากอ่านหรือยังครับยังใช่ไมอ่านใช่ไหมครับอ่านแล้วต้มันแตกอ่านอ่านอ่า่าน่านอ่าอานอ่นอ่านอ่อยอ่านอ่านอ่านอ่านอ่างอ่นอ่านอ่านอ่อ่น ย, ย, ยังยังยังไม่ได้อ่านอ่านถึงแค่ข้อ น, นี้นะับพุธีนะเอะอเออมาสาววาถีนิทานครั้งนั้นพระเจ้าบุคีรับบินดาบาลถึงล้นบาส น, นี่ไงพระบริุหลวงก็อธิบายว่าอันบบบออพิสูจน์ครับบินดาบาลเสมอขอบ่ากบาพิสุจได้อาศัยความไม่เ อ, อื้อเฟื้อรับบินดาบาลจนล้นต้องอันบาตุกต้นนะครับนี่น่าไม่ได้านนะครับไม่แกล้งจะไหนไนะครับ หรือไม่รู้มีอันตรายกนจดิ้อธิกรรมมิ่กะไม่ต้องอ่านบัตรอะไรถ้ากิดมีอันตรายหรืออะไรนี่เข้าถามกันนะก็ไปหาคำพิบาตเองะรับเราใําำพิบาตเองนะว่ามีอันตรายแล้วก็รับรู้นบาดได้เป็นยังไงอย่างเช่นแบบนักยู่ไกลรถไปรถไฟจะมาแล้วเยไงถ้าเกิดมัวแต่คือ ครับอ่าใช่รถไฟจชน่ไมต้องรีบเลยใช่ไหมครับรถไม่รถไม่ันได้หายใจนะรีบเลยนะครับรีบไม่ได้นะแต่ธนาต้องเป็นหน่วยยิ่งบอกย่อมจะรถบังแน่น่ะมันพูดอะไรไม่ทันแล้วใช่ไหมรีบเลยนะครับผมไปเจอที่ที่กรุงเทพนั่นเขามาใส่ตอนแรกนึกว่าใส่ไมเท่าไหร่นะครับพอคนหนุ่มมาใสนมาลุ้นมใส ผมนะครับไม่ห้าไม่ทันะไรนะถ้าห้าจะปิดฟ้าก็จะไปโดนโยงนะครับแล้วก็โอ้ไม่ได้นะครับนั่นเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม็นกรณีที่เราไม่รู้ว่าใจะใส่กันโอหเยอะนะครับมือใครทำมือบานขาบานขาเอครับขาวแพงมเนยอะมากต้องมีลูกศรที่ตั้งมาสองค นี่นะข้อนี้น่าสำคัญเลยมาดูน่าคำที่บายในการขาหน้าสองเจ็สิบห้านะครับอันนี้น่าจะดูคาที่บายนะพระไตรปิฎกนะข้าวจะบที่บายละเอียดนะ่นี้แต่บิดดกข้าน่อ ห, หน้ า, าหน้าอ่าบิดดกนะคร้าร้อยนะครับเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบหกนะครับ เก้าร้อยห้าสิบหกนะมดูครับไอจมบัทที่สี่นั่นแหละจอมทัทที่สี่นะครับน้าสูบประกาศโตใช่ไหมในบาลีเนี่ยน้าสูกประกาศโตมัธิตวาอะไรต่อนะมินดาปตังอะไรปฏิแค่สามเอ้ยผูชี่สามปฏิอะไรนะไม่ไม่ใช่ของคนละคะข้อกันคะข้อกันผิดนะครับอ่าสามารถติดติกลงมินดาปตังครับ ส, มสๆๆามารถติตกามบิดาปาตังปฏิแคสานิสิก ข, ขากราณียาพิสูจน์คุณความสมเหตุว่าจากบิดาบาพอสมุนคอปากบ่านี่ยองดูเลยในคําว่าถู ป, ปีกะตังบิดาปาตังปฏิคันหาติอานปฏิสุกตสัสนี้มีความว่าบิดาบาทะครับที่พิสูจน์ทำให้ล้นรอยขอบภายในปากบ่าขึ้นมาเนี่ยช้อนก็คือนึ อ, อยขอบภายในปากบ่าขึ้นมานะ เจะละพออยู่ข้างในน่ะลอยพัมนะชื่อว่าทําให้พูนล้นบาสนะครับคือเพิ่มเติมแต่งเสริมให้เต็มแป้ในบาสผีสูบไม่รับบินาบาส ท, ที่ทําอย่างนั้นพึงรับพอประมาณเสมอลอยภายในเนี่ยลอยภายในคอปากบานะครับนายเขาว่าถูปีกตังนั้นพระภยัยเทนะกล่าวว่าที่ชื่อว่าทําให้ล้นบาสได้แก่ให้ล้นด้วยโูชนะทั้งห้าเนี่ยเท่าแค่โูชนะทั้งห้า ถ้ายัางอยู่ยุคสุไลย์ยังไม่ได้บอกว่าถูกนะครับสดงมติของพระทันทร น, นเฉยๆนะแต่พระจุลนาคเถนะผู้ทรงพระไตมีดกกล่าวสูตรนี้ว่ายาคูก็ดีนะครับต้มก็ดีพันก็ดีของคนเคี้ยก็ดีนะครับก้อนแป้งก็ดีแม้ไม่ใช่ไม้ช่ำรากฟันก็ดีหัวหมดเลยนะหน้าชายผ้าก็ดีชื่อว่าบิดบาบะทั้งหมดเลยนะครับ แม้จะมาชาหากินไม่ได้หมดเลยวนะ mm hmm. แล้วกล่าวว่าแม้ได้ชายผ้าทําให้พูมเป็นยอดสุทธุก็ไม่ควรผู้มิสูฟังคําของพระติล่าเหล่านั้นแล้วนะครับไปยังหลวงนาชนบทเรียนถามพระจุลสุมนรณว่าท่านขอรับมินดาบล้นบาศกาหนดด้วยอะไรนะครับ mm hmm. จะเอโภชนาห้าหรือว่าจะเอาทุกอย่างนะ mm hmm. จะเ อ, อะไรกันแน่เนี่ยและได้เรียนบอกให้ทราบวาทะของพระติล่าเหล่านั้น พระทธาติได้ฟังแล้วกล่าวว่าจบนะพระจุลนาได้พลาดจตสนาโอ้พระจุลนานั้นได้ให้ช่องทางแก่พิสุปเป็นอันมากเราสอนวินัยให้แก่พระจุลน า, นานี้ถึงเจ็ครั้งนะครับสมัยก่อนข้อเรีวินยัยกันนนั้ไม่ใช่ครัง้งครั้งนะครับหลายครั้งเลยนะครับเพื่อรอบเดียวไม่พอว่ามันเ ด, ออด <c oughs> รอบเดียไม่พอหนึรอบนะ เก้ารอบสิบแปดรอบนะครับมี <Okay. S 1> พระสุมานณะเถร่าเลี้ยงเก้ารอกใช่ไหมถ้ามหาประทุมสิบแปดรอกใช่ไหมครับนั mm ่นนะขาเรียนกันเยอะเลยนะครับไม่ได้กล่างอย่างนี้สักครั้งนะครับพระจุลนานี้ได้มาจากไหนจึงกลนี้เนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์สอนใช่ไหมท mm hmm. ่านไม่ได้สอนอย่างนี้เลยเอามาจากไหนเนี่ยพวกพิสุ ข, ขอร้องพระเถร่าว่าโปรดบอกในบัทนี้เถิดครับมินบัตโลนบากําหนดด้วยอะไร ข้า <c oughs> ตีล่ากล่าวว่ากําหนดด้วยยาวัคซีนเล็กภูมิอายุยาวัคซีลิกคืออาหารใช่ไหมชาวเชเที่ยครับอาหารทุกอย่างเลยที่ฉันได้ช้าเชื้อเที่ยงนะครับไม่ใช่ไอโภชนะห้าอย่างเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นยาครูก็ดีพัดก็ดีพาราผลผลไม้น้อยใหญ่ก็ดีครับที่เป็นอาวิธอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุดพึงรับเสมอของบานนะครับเท่านะั้น อก็อรายยาคูและพัดนะครับหรือผลไม้นะ้อยใหญ่นั้นพึงรับเสมอขอบบาด้วยบาต ท, ที่ควรอธิฐานนะครับบาน ท, ที่ควรอธิฐานมีกี่ใบนะเจ็ดใบใช่ไหมครับเราเว้นใหญ่อย่างใหญ่แล้วก็เล็กอย่างเล็กใช่ไหมที่เหลือนะ บ, บาต ท, ที่ควรอธิฐานนะรับนั้นแต่ด้วยบานนอกนี้รับนะครั บ, นะรบให้ล้นขึ้นมาเป็นเหมือนยอดสถุกก็ควรบาน ท, ที่มันเล็เ ก, กินไปไงอ่านะครับนะ ที่ไม่ควรที่ฐานนะได้ครับส่วนยามาการิคนะปานะสตหาการิคและยาวชีวิก์รับให้ล้นเหมือนยอดสถูกแม้ด้วยบาดควรที่ฐานก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอาหารนะครับนี่นะพริสูรับพะตาหารด้วยบาดสองใบบรรจุให้เต็มใบหนึ่งแล้วส่งไปยมวิหารควรอยู่ได้นะครั บ, รบกี่ใบก็ได้ใช่ไหมยอยากให้มันล้นกันครับ แต่ในมหาปจ ร, รีกล่าวว่าของกินมีขนมลําอ้อยเนี่ยอ้อยมันยาวใช่ไหมมันยื่นออกไปนะครับ <c oughs> ผลไม้น้อยใหญ่เป็นต้นที่เขาบรรจุลงในบาข่องอยู่แต่ข้างล่างข้างล่างยังพร่องไว้นะครับมันกคยื่นมาข้างบ น, นเฉยใช่ไหมอันนี้ไม่ชื่อว่าทําให้ร้นบานะครับไม่ชื่อทําทให้ร้นนะพวกชาวบ้านถวานมีดบานะครับวางกระทงขนมไว้ข้างบน จัดว่ารับน้นบาทเหมือนกันนะครับก็ใส่ไปเต็มนะใส่ขนมอิ่มนะครับกระทงขนมเป็นยังไงกระทงขนมก็ขนมที่ใส่กระทงที่ใส่ครับแต่ในนี้เขาแปลว่าเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟขนมที่อะไรห่ออมันหอมันห่อมันทํำแรกขนมข้าวต้ม ไอ้ทีมาจากแป้งนี่ค่ะแล้วก็มีไส่อกงรอย่นี้แล้วก็เอาใบอะไรใบบใบตองใบตองแล้วก็เอาไม้อะเสียก็เหมะทงดูนะใช่มคือไปทงเลยคนไทยใช่ไหมก็ในนั่นท่ายายามอยู่มาก็ไม่เกี่ยวนะแต่นี่เขาเอาแบบล้นเต็มครับกระทงล้วก็ไม่ได้นี่ ดูสับแตงท่านนี้อันนี้ก็แปลว่าเสื้อนะครับเสื้อก็คืออะไรครับเสื้อที่เขาไว้บนหัวที่ไหมครับเขาทลนาลักษณะนั้นมาใส่ถุงเข้าไป่ไแตกล้วก็ใส่เข้าไปในบาตรจนเต็มนะครับก็ไม่ได้ใส่แตกะใส่แตกล้ายคล้ายเนื่อถึงกระทรงทรียกขเปลากระทงก็เลยครับอันเนี่ยใบตองทําใช่ไหมแต่แค่คผมไม่ได้ใส่อยกกล้วยเขไปด้วยนะ เอาแค่แต่ใบตองทําเป็นกระชงเหมือนตะก้าพุนตะก้าาใบตองแล้วก็อาไม่ใส่ของเทนั้นนะอืมครับก็บ <ๆ S 1> ไม่ได้เพราะว่าเขาใชหออ่อขนมอืนี่ถ้าเขาพูดถึงนะครับผูว่าอะไรนะครับใช้ถามว่าอ๋อแต่ตอนนี้ตอนนี้สัมมันหายไปครับสัมหายไปนะไมีมี พวกชาวบ้านวางขนมเซิร์ไว้เนี่ยข้าวแฟงนี่นะถาวายวิเิบาลก็ทำให้ล้นเป็นยอดดูดสถูปได้เหมือนกั น, นถ้าเกชดอะไรที่ว่ามาต่อตรงนี้ว่าอย่างไงเขาบอกว่าเอาแต่พวงดอกไม้อันนี้ไม่เอาใช่ไหมและพวกผลกลับมาผลเผ็ดร้อนนะครับมีพลิกนะเป็นต้นมันเป็นพวงยางใช่ไมที่เขาถวายไว้ข้างบน ไม่จัดว่ารับหล่นบาตรไม่เป็นไรอที่สุรับเต็มแล้ววางถานนะครับแล้วก็ฝาบาสนี่ขลักมันเต็มมใช่ไหมแล้วก็ใช้ฝาบาสนี้มันรับแทนนะครับถือว่าไม่ได้เนื่องกันแล้วนะมีภาชนะที่แยกแล้วนะครับหรือใบไม้ก็ได้นะครับข้างบนเข้าสู่ไว้ไม่ชื่อว่ารับหนบาตนะครับเต็มบาตเต็มย่ามเต็มฝาบา้คเลย ถึงจะใส่ได้เพราะจริงมือแต่แล้วหยิบก็ลำบากอยู่นะถ้าทำนี่ต้อ ง, ง, อองสิ่งใด ต, ต่งนะเรเอาอไหนกินมื อ, อถ้าเรยอมเชื่อถือหนแล้วก็ยอามาเลยนให้แกช่วยเทใสบ่บาให้นะครับไปครับอันนี้บอกว่าที่สูตรเต็มแล้ววางฐานนะครับ น, นี้ว่าแล้วนี่ แม้ในกรุนทีก็กล่าวไว้ว่าพวกทายกใส่ข้อสวยลงบนถานหรือบนใบไม้แล้ววางถวายถาหรือใบไม้แล้วนะครับวางถวายถาหรือใบไม้นั้นบนที่สุดบาตก็บนฝาบาตรนะครับอบนตัวบาตนะเป็นตัวขั่งอีทีครับภาชนะแยกการควรอยู่ครับะสุอภาภาณนะไม่มีในอนาบัตรให้สิกขาบทนี้เขาไม่มีนะ ไม่ใช่วผมปวยต้องรับมาฉันเยอะๆรับไ้นนบ่าไม่ได้นะครับมีพระอ้างเราเพราะฉะนั้นนะครับโพชนะที่ทําให้เป็นยอดดุสสถูที่รับน้นบ่าไม่ควรแม้แก่ที่สุอานะครับและคําแปลต่อไปอันนี้ผมแก้ใหม่นะเปลี่ยนสํานวนใหม่นะครับว่าในเรื่องการรับบ่านะครับให้ร้อนเป็นยอดดุสสถูทั้งหมดนะ พิสูจจะรับประเค้นเท่านั้นไม่ควรตอนที่ไปรับบินาบาตมาใช่ไหมนั้นไม่ควรที่เป็นอาบัติแต่ว่าถ้ารับมาแล้วสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นรับประเค้นแล้วนะครับแต่สิ่งที่รับประเค้นแล้วก็จับว่ารับประเค้นแล้วจะฉันก็ควรครัมันเป็นนามปัติเพาะตอนที่รับนะแต่พอเป็นแล้วก็ปรงตรงนั้นไปนะครับอาหารนั้นก็ถือว่ารับประเค้นแล้วคุณฉันได้ท <c oughs> ี่เรียนก็กลับมาดูคำอธิบาย ข้อที่สองนเจ็ดสิบห้าะครับข้อที่สามสิบเนี่ยสามสิบสามสองอธิบายสมารติติกะสิกขาบทเป็นต้นในะสิกขาบทที่สี่คาว่าสมารติติกังแปลว่าเป็นเสมอที่สุรับไม่ให้เลยขอบภายในปากบาซึ่งเป็นบาต ท, ที่ควรสิทฐานนะครับช่วงมินทบาได้แก่ยาว่าการิกทุกชนิดเนี่ยนะอาหาริีชนชาร์ตเที่ยง สำหรับบาตรที่ไม่พอจะอธิษฐานมันใบเล็กใช่ไหมพิสุจะรับยาว่ากาลิกหรือยามากาลิกเป็นต้นให้ร้อนขึ้นในที่ใดที่หนึ่งควรอยู่นะก็พิสุรับอาหารครับอ๋อเฮียบาตรที่ไม่ควรอธิษฐานก็ดีนะโคนั้นปานน่ะก็ดีนะครับอ๋ออ๋ออันนี้คือรวมหมดเลยนะก็พิสุรับอาหารใดด้วยบาตรสองใบก็เหมือนกันนะบรรจุให้เต็มใบหนึ่ง แล้วส่งไปวิหารหรือของชันประเภทใดจะเป็นขนมอ้อยผลไม้น้อใหญ่เป็นต้นที่เขาบรรจุลงในบากร่องอยู่ใตข้างล่างข้างล่าง่างางองนะครับอาหารนั้นทั้งหมดย่อมควรเพื่อจะรับให้น้นบากร่ออไม่แต่ขาล่า้างล่างนะคราันมดยอมื่อน้นาออยู่ข้งล่าง้งลรองนะครับอาหานวกเพล่อจะรั้นนาร่่แข้างลไว้ข้างบนะคบารนท้มดระบิห้นบากร่่พวกชาวล่างข้านะคราย ก็จะวางใบไม้ใบตาลก็ดีเขาใช้ภาชนะให้ใบตาลใบใหญ่ๆลองปนบากระก่อนนะั้นภาชนะถือว่าใหญ่กันนะครับอาหารนั้นไม่ชื่อว่ารับนนท์บากระครับดังนั้นอาหารทั้งหมดนั้นสมควรอยู่แม้ทพิสุผู้เป็นข้างก็ต้องอาบัตในศีลฐานบทนี้เหมือนกันฉะนั้นนะถึงพิสุข่ายก็คงครับเสมอขอบปากบ า, บาเหมือนกันแ น, นี้แก้สานวนนั้นี่สอนชิ้งไปว่า ก็การรับอาหารร้อนนย่อมไม่ควรเพื่อรับประเคนในที่ทั้งปวง้วนะแต่โปรชิน่ที่รับประเคนไว้แล้วถือว่าเป็นารับประเคไว้อย่างดีจะฉันก็ควรสิขาบทที่ห้าที่หกมีแนตังกาไว้แล้วเลยนะครับอีสัมมณูหนึ่งว่าในเรื่องการรับบาให้ร้อนเป็นยอดหยุดสถุทั้งหมดพิสุรับประเคนท่านนื่งกวก็เหมือนกัน อยก่ันที่บ้าขึ้นเติมหรือเ่าต่อไปมันต้องมานะมีไว้วใช่ไหมไม่ไยังไงอาบสวิธีนะครับหน้าไหนล้วนี่สอหนึ่งรอย้าว้อก้าส้ ส, สี่นะครับขึ้นวัดกับปเลยนะ เขาที่สาสิบเ็ดนะครับมาอ่านนี่ก่อนนี่ว่างที่สามที่ชื่อว่าคําประกาศตาวะจบนะครับสาสิบเอ็ดบันปัญชิตพึงกระทําความสํานีย ว, ว่าเราจะรับมีธบะโดยเคารพไม่ฉันโดยรังเกียจทําดุจไม่อยากฉันสามสิบสองบันัญชิตพึงกระทําความสำเนียง ว, ว่า เราจักไม่รไลดูในบาฉันบินธบาไม่เที่ยวมองไปข้างนู้นข้างนี้สามสิบสามบันพันชิกถึงจะทำความสังเงีกตว่าเราจักฉันบินธบาตางลำดับไม่เลือกตัดเจาะลงตรงนั้นตรงนี้สามสิบสี่บันพันชิกถึงจะทำความสังเงีกตว่า เราจดฉันบินทบาตรที่มีแกงถั่วเขียวหรือถั่วเหลือที่คนพอจับได้ด้วยมือพอเหมาะสมหนึ่งสี่ต่อหนึ่งครับสามสิบห้าบันทึกพฤกระรําความสำเนียงว่าเราจดไม่ฉันบินทบาทขยุ้มลงจากยอดจอหรือตรงการของบินทบาตเอเขก่อนเข้ม่นอน แม่บอกว่าการฉันบิดาบาโดยคารบไม่ฉันโดยรังเกียจทำหรือไม่อยากฉันใช่ไหมครับนี่นะก็เหมือนกับเราบิดาบาโดยคารบนะก็ใส่ใจนะครับฉันให้ดีไม่ใช่ไม่อยาฉันเลยมันอีกแล้วครับแสดงกิริยาเหมือนกับว่าไม่อยากฉันอยากจะทายทิ้งนะครับไม่แสดงกิริยานั้นนะในไงชาวบ้าขวานไม่รู้ศรัทธานะครับพิจารณาเหความจําเป็นใช่ไหมเพื่ออย่างทายเป็นไปได้นะครับ นี่นะเพื่อสะดออกวกในการเพื่อพรมันจันครับเพื่อบรรทาวเวทนาเก่าความหิวไม่ทําเวทนาใหม่คือความอินแน่นเกินให้เกิดขึ้นนะครับอี่นะให้เกิดขึ้ใส่ใจให้ดีนะครับมาคงเลือกอะไรมากไม่ได้นะแต่เลือกได้ถ้าที่พอทําได้ครับแต่ครเวลาฉันก็เขาดลบนะใส่ใจให้ดี ชั 3, 2, ้นสองเราจะเป็นผู้มีความสําคัญแลดูในบาชั้มีทบาไม่เที่ยวมองคุณข้างนี้อันนี้น ะ, ะเวลาฉันแล้วก็แดินแต่ในบานะหายใจชังอยู่ในเขาไม่เที่ยวมองคุณข้างนี้นะนอกจากมันมีเหตุอะไรใช่ไหมอันตรายก็อย่าเที่ยงแล้วเนี่ยใกล้หรื อ, อยังเนี่ือนีกกลางนี่นะถ้ามั็นงี้ก็ไม่ต้องมองคุข้างคุข้างนี้นะครับนี่ไปเที่ยวมองบาคนอือ่นด้วจะแพ่งท่อยิ่งหนักเลยนะครับ ไอตอนนั้นมันมีทางที่ของฉันตรงนี้ใช่ไหมเวลาในเข้าตักตักอาหารกันนะครับถ้าบางรูปนะจ้องมองเลยนะครับไม่ใช่มองจะมองเหมือนกับว่าจะต้องดูรนเน่ยมันจะตักเยอะไม่รู้แกคิดยังไงนะท่านนี่แกกาลังฉันอยู่นะผมว่าให้เทแกไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเนี้ยมันมีอยู่ในข้าวตรงนี้นะไม่ได้นะครับเป็นเสยกียวัาเลยเราก็ต้องใส่ใจเพราะกำลังฉันใช่ไหมใส่ใจพิจารณาอะไรด้วยนะครับ แต่นี่แกมองมองเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีนะถ้ามาจ้องขนาดนี้นะครับอ่นหละผมก็เลยออกไม่ยันวันนะั้นแต่ไม่ได้ว่าข้านะก็ไม่ได้ว่าเลยตรงหลนะังเลยเขาไม่รู้สึกก็เลยว่ามกัว่าเนรอายนะครับเมีาจจะยกเสถียรวัตรไปว่าในกลาง <c oughs> ขนาว่ามันก็ยังโวยวายกันเลยวันนั้นนะ่ะให้พอใจเลยนะก็ตัวทําไม่ถูกนะมันต้องใส่จใจไม่ได้เลยนะครับยิ่งข้าง ถ้ามองจะแพ่งทอดเนรู้ยอย่างนี้นะยิ่มแสกเลยนะครับมองดูบาเนร์ม <c oughs> ันแพ่งทอดอย่างงี้นะไม่ได้นะครับยิ่มหนักเลยนะ <c oughs> พอพูดแล้วก็หายเลิกหายมองกันนะ <c oughs> ยังยงเป็นอยู่้งนานนะผมก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทีหลัง ก, ก็หายเข้าไปมอง อ, จองเจ้าเจมใช่ไหมไม่ทำไมเข้ามองแก <c oughs> ชอามองไม่ดีนะครับนะันไม่ควรนะ <c oughs> ต้อง สายใจของเรามือถือช่างโง่แจ้องจับคมคังค่ามองดูทั่วเลยแวกวาดตาแล้วก็เอามาพูดว่าเรียกว่าเลือกเยอะอะไรเงี้ยก็มีตอเราใังไม่ยูนะครับใช่กวายใสตาแล้วก็มาเที่ยวพูดอ๋อเสร็จเลยนะตอนที่มองได้ยังมองจ้องดบานจะแพ่งท่อมันจะมีข้อนะบข้างหน้าไม่ได้นะครับ ถ้มองนี่จะแบงอาหาบิดบาให้ได้นะอาหารบิดบาโเคได้น้อยตอนนั้นตอนนั้นเจ้าลงหลนจริงนะตอนที่ผมเคยกิดนะดินกระบาดมันไม่ฉันเลยดีกว่าไม่มอฟพอฟังอะไรเขาว่าเกื่องเรื่องอื่นน้อยเะเร่องเรื่องคิดอ้อแม่เราเาตัก้นม นั่าไปไล่ค่ะจะไม่ได้คิดมากขนาด้ครับถ้ากาลังรอเมื่อไหร่จะงสักที่เมื่ไหร่แลทักที่ก็ไกลมองครับถันมาะวัเดียวเขาอาอเเป็นถกแผลอเงี้ยหลดใคอมาลยลเยอะอย่างงบอกอะไรออกไหม่ออ่าบอกถ้าอยากจะเลือกผมใช้ไหมถ้าอยากถึงง่ายๆนะถ้าอยู่ยูนนานสาสิบนั่นจะได้สิทธิพิเศษอย่างี้ บีทไหก็ฉันต้องนะพี่เจนก็ต้องว่าดีใจดีใจะต่คิมากมันก็ทายคำมันเองเขามันค่อยกล้าอะไรมากนะแล้วก็พี่เจนของเราก็แล้วกันใส่ใจความทเป็นอันนี้มีน้ำไมเที่ยวมองคนอน้างนี้เข้ไมาในฝุปฝ้หมดเลยนะแล้วข้อต่อไปนะครับเราจะฉันมีเท่าบาตังลมดำนะครับไม่เลีอกตักเจาะลงตรงนั้นตรงนี้ให้มันว้าแหวงนะครับฉันไปนะ ไล่ไปใช่ไหมครับตามหลอกไปทําไม่ไว้อมไม่แบนไปนครับก็ต้องกัดให้ดีต้องเกี ย, ยร์ต้องอะไรให้ดีก่อนนะนี่ครับอะไรต่ออะไรนะไมัน่ได้เป็นต่างว่ามนะครับต่อไปอืมที่สายสีใช่ไหมอ๋อนเนี่ยเราจำบิดาบา ท, ที่มีแกงเหมือนกันเมื่อกี้เราตอนรับบิดบาใช่ไหมอันนี้ตอนฉันนะครับแ<ม>กงถั่วเหมือนเดมนะน้ามันควรจะเป็นปนี่นะครับทุกทายอาหารดีสมัยก่อนนะได้นะครับ สีต่ตอนหนึ่งนะครับข้าวสี่ส่วนแกนี่นหนึ่งส่วนเข้าใจว่าของยาโโา่างของโบราณก็มีปัญหานะออืไปนะครับข้อสาสิบห้าเนี่ยเราจะไม่ฉั่บินเดอบัคขยุ้มจากยอดเป็นจอกจอกมันูเขาไฟลงไปเลย <c oughs> ร, ร <c oughs> หรือว่านะครับพาภูเขากลางไปเลยหน้าได้สองแบบนะครับเจาะลงไปได้นะคะรับภูเขาไฟเจาะลงไปหรือว่าพาถนนไปเลย <c oughs> ไม่ได้นะครับ ให้ฉันไปตามเราดำนะไม่ให้เจาะไม่ให้ไม่ผ่ากางนะครับนไม่รับต่อไปก็มีดูความที่มาเดี๋ยวต้องมันอยัดก่อน